วันนี้ก็เป็นอีกวาระหนึ่งที่ได้มาที่เรมอนด์ฟาร์มได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนธรรมะการใช้ชีวิตแล้วก็การศึกษาดูตัวเองเพื่อให้ปัญหาชีวิตเนี่ยหมดไปก็นั่งแต่สบายๆฟังอย่างสบายๆเรื่องธรรมะนี่เป็นเรื่องที่ไม่เครียดต้องเลือกเป็นเรื่องที่ผ่อนคลาย เพราะว่าธรรมะเป็นเรื่องของการปล่อยวางไม่ใช่เรื่องเก็บกดเพราะฉะนั้นฟังอย่าง ส, สบายๆไม่ต้องคิดอะไรถพรว่ามาพักผ่อทนท่านาจิตใจเวทีใจสบายย่อยธรรมก็ได้ทานอาหารกายมาแล้วทีนี้เราก็มาทานอาหารจิตใจกันบ้างสำคัญทั้งสองอย่างอาหารกายนี่ก็ช่วยทำให้ป้องกันความหิวแล้วก็ทำให้อิ่มท้องรักษาสุขภาพกายให้ดี คือส่วนของหน้าร่างกายแต่บางทีอิ่มเกินไปมันก็เป็นทุกขนะ <c oughs> ์นะเคยสังเกตไหมเว <c oughs> ลาก่อนทานอาหารนี่แม่มันหิวเหลือเกินไปเจออาหารถูกใจเขา้าทานมากเกินไปอาหารนี่เขาแก้ทุกแต่พอทานมากเกินไปนี่มันก็ทุกข์อีกนะเพราะฉะนั้นความพอดีนั่นก็ส่วนอาหารกายแต่อาหารจิตใจเนี่ยจะว่าไปแล้วเนี่ยสาคัญกว่าอาหารกายมาก ด้านจิตใจคือด้านนามธรรมเรามองไม่เห็นหรอกแต่ผมว่ามันสําคัญกว่าด้านร่างกายเพราะร่างกายเนี่ยบางทีเราทานไปแล้วถ้าใจไม่ดีมีความพิจกกังวลมีความเศร้าหมองทานอาหารไปก็ใจคิดกังวลในเรื่องราวต่างๆบางทีอาหารก็อร่อยนะแต่ทานแล้วมันไม่อร่อยอ <c oughs> เห็นไหมมันจืดชืดนะคนถูกรถตุรีในวันที่หนึ่งเนี่ย ทานอาหารไม่อร่อยอ่ะเพราะอารมณ์ของลอตเตอรี่มันดุนแรงกว่าอารมณ์ของรสชาติอาหารเพราะฉะนั้นจิตใจสําคัญถ้าใจที่เป็นปกติใจเป็นสุขเนี่ยอาหารดูแล้วไม่น่าอร่อยแต่มันก็แซ่บได้เหมือนกันนะสําคัญที่ใจดนั้นอาหารใจมันป้องกันได้หลายโรคนอกจากทําให้ผู้ที่ได้รับไปแล้วเนี่ยมันที่มันสดชื่นผ่องไสสดใส ได้อาหารใจแต่เป็นการป้องกันโรคได้หลายโรคเลยคนที่เป็นโรคติดโรคประสาทเนี่ยเกิดจากว่าขาดอาหารใจใจที่มีความซ่อมหมองมีโอกาสที่ทำให้โรคจิตได้แล้วคนที่มึนศีรษะเวียนศีรษะปวดหัวหาสาเหตุไม่ได้เนี่ยอันนี้เพราะว่าใจขาดอาหาร เพรา ะ, ะนั้นสำคัญมากคนที่นอนไม่หลับเนี่ยส่วนของอาหารทาร่างกายเนี่ยก็มีส่วนเหมือนกันทําให้นอนไม่หลับทานมากเกินไปทานน้อยเกินไปก็นอนไม่หลับแต่ว่าก็เป็นช่วขณะหนึ่งแต่ใจที่มีปัญหาเนี่ยอันนี้สำคัญมากใจที่มีปัญหาเนี่ยทาให้คนนอนไม่หลับคนเราน อ, นอนไม่หลับอาจจะด้วยหลายสายเหตุอาจจะดื่มกาแฟมากไปหน่อย กลางวันก็นอนเยอะกลางคืนก็ย่อมจะไม่ง่วงอันนี้ทั่วเป็นสาเหตุหนึ่งแต่อีกสาเหตุหนึ่งที่สำคัญก็คือความคิดความคิดทำให้คนรนอนนอนไม่หลับทำไมจึงมีความคิดขึ้นมาอันนี้ธรรมชาติตอบได้คนที่ไม่มีความคิดนี่คือคนตายคนเป็นต้องมีความคิดแต่ว่าเราไม่เข้าใจความคิดไม่เข้าใจความคิดมันจึง กัดกร่อนจิตใจเราให้เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นสติภาวนาอันนี้เรื่องเี่วกับจิตใจล้วนๆเลยเรื่องทางกายนี่ขอญาติไม่พูดไม่อยากจะพูดเพราะว่าผู้พูดเองก็ทางกายก็บกคล่องนะร่างกายก็บกคร่องแต่ว่ามีชีวิตอยู่ได้ถึงก็ทั้งทุกวันนี้เนี่ยเพราะอาหารใจบำรุงหล่อเลี้ยงอยู่คนที่พิการแบบเนี้ยใช้ชีวิตที่ผิดปกติจากธรรมชาติ จะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานหรอกถ้าคนไหนมีชีวิตอยู่ได้นานแสดงว่าผู้ดูแลผู้ดูแลเขาให้ความสําคัญแล้วก็เอาใจใส่สําหรับผมนี่ผู้ดูแลเอาใจใส่ด้วยส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งก็คือจิตใจที่อาศัยธรรมะหล่อเลี้ยงอยู่ธรรมะหล่อเลี้ยงให้จิตใจมันสดชื่นผ่องใสยอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะธรรมะสุขภาพจิตก็ดี แต่ก่อนนี้ผมเองก็จะว่าเวลาสุขภาพจิตก็ดีตามแบบคนทั่วๆไปดีเพราะเกิดมาไม่บ้านะก็ดีแต่ว่ามอนในส่วนลึกๆแล้วเนี่ยจิตก็ยังไม่ใช่เป็นตัวของตัวเองอยู่จิตใจเราเนี่ยมันถูกบางสิ่งบางอย่างใช้เราอยู่มีรูปมีนามเข้าใจคำว่ารูปนามไหมรูปคือส่วนร่างกาย นามคือส่วนจิตใจเรามีรูปมีนามเนี่ยเราไม่เคยเป็นเจ้าของเขาเลยนะเราไม่ได้ใช้เขาเลยถูกกิเลสความโกรธความโลภความหลงใช้รูปนามเราตลอดเวลาเราไม่เข้าใจคิดว่าเราใช้เพิ่งมาลู่ตอนหลังโอ้เมื่อก่อนเราเนี่ยเราไม่ได้ใช้รูปนามเราเลยเราไม่เป็นธรรมกับรูปนามเราปล่อยให้กิเลสมันใช้ จนมาได้จริญสติจึงจะเข้าใจว่าอ๋อชีวิตของเราเนี่ยถ้ามีสติมีความรู้สึกตัวแล้วก็เราจะใช้รูปนามอย่างเป็นธรรมเจอแล้วผู้ที่ใช้รูปนามอย่างเป็นธรรมเราเคยไหมบางทีร่างกายมันอยากนอนมันอยากหลับเหลือเกินถึงเวลาแล้วสี่ทุมาทุ่มแล้วแต่มันต้องนั่งนั่งดูอะไรบางอย่างที่เราอยากจะดูในท <c oughs> ีวีเห็น่ะใครก็ใช้รูปไปทาอย่างนั้น รูปนันเนี่ยก็อยากจะฟักฟ้อนแต่ว่ากิเลสความอยากมันไม่ยอมมันจะต้องทำในสิ่งที่มันอยากใหททำแล้วมันมันมนกจะทำสาเร็จด้วยใช่เราไม่เคยมีข้อต่อรองกับเขาเราไม่ได้ต่อรองเขาเราเชื่ยวก็ตลอดเวลาเพราะอะไรอันนี้ไม่ได้ตำหนินะเป็นเพราะว่าเราเข้าใจผิดคิดว่าสิ่งที่มันปรุงแต่งอยู่ในใจเราเนี่ยมันเป็นตัวเราจริงๆอันนี้ คิดว่าสิ่งที่มันปรุงแต่งหมายถึงความคิดเนี่ยมันเป็นตัวเราจริงๆดูดีๆเถอะแล้วเราก็เชื่อทุกครั้งเชื่อมั่นในความคิดของเราเชื่อมั่นในตัวเราจน ก, การะทั่งลืมเขาเรียก <c oughs> ว่าลืมสภาพที่มันเป็นจริงอยู่สิ่งเหล่านี้เนะี่ยมันทำให้ใจเราเนี่ยผิดปกติสุขภาพจิตก็ไม่ดีจิตที่เป็นปกตินั้นคือไม่ยินดียินายหมายถึงว่า เวลาอารมณ์ดีมากระทบเรารู้แต่เราก็ไม่ต้องไปดีตามบะเขารักษาเพราะเป็นปกติไว้ได้อเ น, นี้ยเป็นจิตปกติสุขภาพจิตดีเวลามีอารมณ์ที่เราไม่ชอบใจมากระทบเราไม่ห้ามแต่เรารู้เขาและเราก็รักษาใจไว้ให้เป็นปกติโดยที่ไม่ต้องไปไม่ชอบใจด้วยอันนี้คือสุขภาพจิตดีสุขภาพจิตดีนั้นคือจิตที่เป็นปกติถ้าว่ามีอารมณ์ดีใจเสียใจมากระทบล้วก็ ถ้าเราหลาตามไปแสดงว่าเราจิตเราผิดปกติแล้วอย่างแกที่ทำนั่งอยู่เนี่ยร่างกายเป็นปกติทุกคนอย่างผมคนพิการอันนี้ผิดปกติเราเห็นได้ชัดแต่ใจที่ผิดปกตินั้นคือใจที่ออกจากภาวะที่เป็นกลางกลางจิตที่ไม่เป็นกลางคือจิตที่ผิดปกติความผิดปกติคือความพิการและเราพิการทางจิตไหมแต่อาจจะไม่รุนแรงอาจจะไม่รุนแรงแต่ถ้าเรามีสติ มีสติสติแปลว่าความระลึกได้สัมปชัญญะแปลว่าความรู้ตัวรวมกันเรียกว่าความรู้สึกตัวเรามีความรู้สึกตัวอยู่ขณะปัจจุบันแล้วก็เราควบคุมจิตเราเป็นปกติได้อย่างตอนนี้ผมเชื่อว่าจิตเราเป็นปกติกําลังนั่งฟังอยู่กําลังนั่งอยู่สบายๆจิตเป็นปกติแล้วทุกเกิดไหมตอนนี้ทุกไม่เกิดทุกไม่เกิดทางจิตใจเนี่ย ถ้ากิสุขภาพจิตดีแล้วเมื่อสุขภาพจิตดีเนี่ยสุขภาพกายมันก็ดีบางทีจิตเนี่ยมันควบคุมกายถ้าจิตเสียเนี่ยกายก็เสียไปด้วยอย่างเช่นว่าผมเคยเห็นผู้สูงอายุบางท่านเนี่ยดูร่างกายเนี่ยทุดโทมมากดูท่าไม่น่าจะอยู่รอดได้ปีสองปีเนี่ยแต่ว่าเขาสามารถอยู่ได้นานเพราะสุขภาพจิตท่านดีมากท่านมีมีความคิดไม่มีความเครียดอะไรที่ทําให้ ร่างกายท่านต้องสุดสต่งมากกว่า น, นั้นเพราะฉะนั้นร่างกายเราดูแลพอสมควรถึงเวลากินให้เขากินถึงเวลานอนให้นอนถึงเวลากลักผ่อนต้องทําให้เขาพักผ่อนออกกําลังกายโยคะไทเก๊กอะไรก็ว่าไปแต่อย่าลืมด้านจิตใจจิตใจนี่มันสําคัญนะมันไม่ได้สำคัญเฉพาะภพชาตินี้นะมันต่อนเนื่องแล้วจากที่เราตายไปแล้วด้วยดงนั้นอย่าลืมสุขภาพจิตนะครับ จิตเป็นนายกายเป็นเบาสติภาวนาก็เพื่อการรักษาสุขภาพใจให้มีความสุขใจที่มีความสุขท่นั้นทำให้ชีวิตยืนยาวก็เลยอยากจะเชิญชวนญาติธรรมเรามาเข้าใจส่วนด้านจิตใจเราสะกก่อนวิธีการที่จะทำให้จิตใจเราเนี่ยมีความสุขได้สดชื่นผ่องใสได้นั้นเราจะต้องมีสติควบคุมใจ พอสติควบคุมใจแล้วเนี่ยอาการทางกายทางวาจาเนี่ยเขาก็จะดีไปเองเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือจิตใจปัญหาเกิดขึ้นจิตใจทางนั้นคนที่ผิดศีลก็ผิดที่ใจก่อนพอผิดใจแล้วเดี๋ยวกายวาจาก็ออกมาทางไม่ดีเขาจึงบอกว่าต้องมีศีลใจนะไม่ศีลใจโหงไทยนะศีลใจ ศีลนี่ควบคุมใจเอาไว้งร่ากายกับวาจาหมดปัญหาเลยควบคุมจิตใจถ้ามีสติมีสมาธิเนี่ยสมาธิเกิดขึ้นในใจสมาธิก็มีในใจนะแล้วปัญญาที่จะเกิดขึ้นนั้นคือเกิดขึ้นที่จิตใจการฝึกนั้นต้องฝึกที่จิตใจใจนี่สําคัญมากสําคัญที่สุดเลยในชีวิตเราเนี่ยสิ่งที่เรารักที่สุดคือจิตใจไม่ใช่ร่างกายร่างกายเป็นเพียงแค่เปลือกแก้เคลืองอาศัย เพราะนั้นอยากจะมาเชิญชวนเจตีธทําเนี่ยฝึกสติพูดถึงสตินี่อย่าไปเครียดสตินี่เป็นภาษาบาลีดูแล้วมันน่าเครียดแต่พูดเป็นภาษาไทยว่าให้มารู้สึกตัวให้มารู้สึกตัวเท่านั้นเองไม่ต้องทําอะไรมากไปบอกความรู้สึกตัวหรือว่ารู้เนื้ อ, อรู้ตัวสิ่งนี้ดีไหมรู้รู้รตัวเนี่ยไม่ได้ดูถูกว่าเราไม่รู้ ร, รู้ตัวมีทุกคน แต่ว่ามันมีอยู่ระดับที่มันสั้นมากรู้ได้เดียว เ, เดี๋ยวก็เผลอละได้มีอะไรมายัว่วเราก็เผลอละแต่ว่าการที่จะรู้รู้นึกตัวต่อนเนื่องกันนานๆเนี่ยจะมีประโยชน์มากเหมือนอย่างเราถูพื้นเนี่ยถูครั้งเดียวเนี่ยมันไม่สะอาดต้องถูบ่อยๆหลายๆครั้งมันจะสะอาดเป็นเงาความรู้รู้ตัวก็เช่นเดียวกันทําให้จิตใจเราเนี่ยมันปลอดโปร่งนักศึกษาที่เรียนหนังสือถ้าไม่มีความรู้นึกตัวเนี่ย จำหมดเลียงก็ได้ยากมากจิตใจจะเลื่อนลอยเหม่อลอยถึงเวลาสอบนึกถึงที่ครูบาอาจารย์สอนไม่ได้หนังสือที่ดูไปเนี่ยมันก็ลืมหมดคนที่มีสติควบคุมใจอยู่เสมอๆ เ, เนี่ยจะไม่เป็นคนขี้ลืมจะไม่เป็นคนขี้ลืมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งชีวิตจะอยู่กับปัจจุบันมากการอยู่กับปัจจุบันเนี่ยทุกจะน้อยที่เราเป็นทุกข์มากเพราะว่าเราไมไ่อยู่กับปัจจุบัน เก็บเอาเรื่องอดีตอนาคตมากังวลถ้ามีความรู้เนื้อรู้ตัวแล้วก็ชีวิตจะอยู่กับปัจจุบันมากกว่าคุณธรรมทั้งหลายวัดกันได้ที่สติคนไหนมีคุณธรรมมากน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับสติถ้ากาสติแม้มีความรู้มากถ้ากาดสติเท่ากับไม่รู้อะไรเลยเหมือนกันสติเป็นผู้นำคุณธรรมเป็นผู้นำทุกสิ่งทุก อ, อย่าง มาสู่จิตใจเราที่เรามีปัญหาว่าเราต้องฝึกทำให้เป็นฝึกทาให้เป็นสาคัญมากคือทาให้เป็นคือเป็นการสร้างเหตุเจริญสติให้เป็นทำให้ถูกวิธีอันนี้สำคัญไม่ยากมันยากเพราะเราคิดมากไปเพราะฉะนั้นฝึกสติเดียไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ยากถ้าเราทำเป็นแล้วเนี่ย เราไปอยู่ที่ไหนเราก็ฝึกได้เสมออยู่ที่บ้านก็ทําได้อยู่ที่วัดก็ทําได้แม้แต่อยู่ในห้างสปปรรพสินค้าเราก็ฝึกสติได้ฝึกสติในห้างสปปรรพสินค้านี่ไม่ค่อยเสียสตังนะ <c oughs> คนเสียสตังบางทีขาดสติก็มีนะเนี่ยเสียสตังขาดสตินั้นฝึกบ่อยๆเนี่ยบางทีไม่ค่อยเสียสตังมันช่วยได้ฝึกได้ทุกแห่งแม้แต่ปัจจุบันนี้ง่ายๆ วิธีการฝึกสติเนี่ยมีมากหลายแบบเช่นการดูลมหายใจใครเคยทำไห้ดูลมหายใจลมหายใจนี่เป็นการฝึกสติเหมือนกันหายใจเข้าก็รู้สึกหายใจออกก็รู้สึกเป็นการฝึกสติแม้แต่เรานั่งหลับตาบริกรรมว่าพุทโธพุทโธก็เป็นการฝึกสติเหมือนกันอาศัยคําบริกรมรมบางนีอาจจะใช้หลับตายุบหนอพองหนอ อันนี้ก็เป็นการฝึกสติที่อาศัยคาบริกรรมฝึกจิเ ด, ด้เหมือนกันซึ่งแต่ละแบบนี่ผมเคยฝึกมาท้งนั้นแต่มาตรงกับตฤณตัวเองคือการเคลื่อนไหวเนี่ยคนสมัยนี้นี่มีความทุกข์มากทุกเพราะความคิดเราไปทุกข์อยอย่างอื่นไหมนอกจากความคิดแล้วก็ทุกไม่เกิดทุกเกิดเพราะความคิดทีนี้เมื่อมีความคิดมากเนี่ย เราจะไปคิดเพื่อให้ออกจากความคิดเนี่ยมันยากมากเราต้องมีกิจกรรมอาศัยการเคลื่อนไหวเนี่ยปลุกสติที่มันตื่นขึ้นพอสติมันตื่นขึ้นมากๆเนี่ยความคิดมันไม่ค่อยเกิดแม้ความคิดจะเกิดมันก็เกิดอยู่ข้างนอกให้เราเห็นเพราะงั้นการเคลื่อนไหวเนี่ยสามารถทําให้สติมันตื่นได้ง่ายคนที่หลับง่ายทำอะไรก็ง่วงคอเป่าก็อ่อนเนี่ยถ้าฝึกสติแล้วเนี่ยมันช่วยได้ หลับง่วงดีกว่าฟุ้งนะฟุ้งสร้างวุ่นวายเนี่ยอันนี้อันตรายมากง่วงนอนหลับง่ายนี่ก็ยังดีก่อนที่จะง่วงนี่อะไรเกิดขึ้นรู้ไหมความสงบจะเกิดขึ้นพอความสงบเกิดขึ้นเดี๋ยวความง่วงมาแล้วมันเพื่อนกันเดี๋ยวตามมาส่วนกําไรคือความขี้เกียจมันตามมาเป็นกิเลสกระบวลทำเพรา ะ, ะนั้นมันง่วงมันหลับไม่เป็นไรเป็นเรื่องธรรมดาไม่ต้องทานยา บางคนนี่ไม่หลับต้องทานยานะคนเราหลับง่ายโชคดีแล้วดีกวคนฟุ้งซ่านคนฟุ้งซ่านไม่หลับเนี่ยปัญหามากนอกจากกวนใจตัวเองแล้วย่าไปกวนใจคนข้างๆอีกลุกขึ้นมาคุยกันก่อนเ <laughs> ปิดทีวีเสียงดังรบกวนเพราะนั้นหลับดีกว่าฟุง้ง <laughs> นั่นไม่เป็นไรการฝึกสติอย่างเงี้ยแบบมีการเคลื่อนไหวเนี่ยทำให้สติมันตื่อแล้วความหลับเนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้น พรผมเองเนี่ตอนฝึกใหม่ๆนะคือการเจิตรตีแบบเคลื่อนไหวเนี่ยครูบาอาจารย์บอกว่าให้มีการเคลื่อนไหวส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายส่วนเนี้พอมีการเคลื่อนไหวแล้วมีสติตามรู้บางคนนั่งหลับตาบริกรรมแล้วมันหลับไปเนี่ยทำยังไงก็หลับทุกทีเราลองเปลี่ยนวิธีเลยลอมาทําแบบเคลื่อนไวหวดูบ้างบางทีอาจจะช่วยเราได้เพราะว่ามันตรงกับธรรมาตยานของมนุษย์มนุษย์ต้องเคลื่อนไหว ถานังนิ่งๆเนี่ยเราก็จะหลับได้ง่ายเพราะตั้งแต่เช้ายันค่าเนี่ยเรามีการเคลื่อนไหวเวลาหลับมันทีก็เคลื่อนไหวนะเพราะฉะนั้นตอนหลับไม่ต้องไปเกี่ยวข้อง เ, เวลาตื่นเนี่ยสามารถมีสติตามรู้อยู่การเคลื่อนไหวได้เลยสติอยู่ที่กายเนี่ยมันมั่นคงและมันนานทําได้นานเวลาเร า, าเผลอไปคิดปรุงแต่งบางทีเราเผลอคิดไปเนี่ยเรานึกได้ว่าเราเผลอ แต่เรากลับไม่ถูกมีไหมไม่กลับไปรู้ว่ามันเผลอแล้วจะเริ่มต้นตรงไหนดีแต่ถ้าใครมีสติอยู่กับกายเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะมีที่กลับจะกลับถูกที่กลับบ้านได้ถูกแล้วมันอยู่กับปัจจุบันได้ง่ายธรรมะจะเกิดขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่ายานขนั้นต้นๆเนี่ยเขาเรียกเห็นรูปเห็นนามยานเห็นรูปเห็นนามเนี่ยมันจะเริ่มจากการดูกายเคลื่อนไหวนะดูกายเคลื่อนไหวจะรูปนามได้ง่าย น, นี่เป็นธรรมะต้นๆเพราะนั้นอยากให้เราฝึกทำให้เป็นการฝึกสตินี่ไม่ต้องไปรู้อะไรมากไม่ต้องใช้ความคิดถ้ามีความคิดไม่ใช่สติสติไม่คิดนอกจากคิดด้วยสติแต่ขณะปฏิบัติเนี่ยไม่ต้องคิดเอาสติเอาความรู้ตัวก่อนไม่ต้องหลับตาก็ได้ลืมตานี่แหละเพราะว่าอยากจะปฏิบัติให้มันสอดคล้องกับชีวิตปัจจุบัน เพราะปัจจุบันเนี่เราขับรถเราไม่ได้หลับตาเราทางข้าวไม่ได้หลับตาเดินข้ามถนนเนี่โอ้ยิ่งไม่ต้องหลับตาอยให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรช้าเกินกว่าปกติของชีวิตเราทําตามธรรมดาธรรมดาใช้ชีวิตแบบธรรมดาทุกอย่างให้สอดคล้องกับธรรมชาติที่สุดเลยเพียงแต่เพิ่ม ความตั้งใจที่จะรู้ตัวว่าอย่างเดียวให้รู้แบบสบายๆง่ายๆไม่ต้องที่จะไปใช้ความคิดอะไรรู้ไปตรงๆอย่างเนี้ยรู้สึกตัวเป็นตรงๆอย่างเงี้ยง่ายๆเคยทำไหอยังไหนใครเคยเจรติดูบ้างยกมือสิมีไหมใครเคยฝึกเจรติบ้างมีหลายคนไหนคนที่ไม่เคยไม่เป็นไรนะก็ต้องมาเคยวันนี้นะ <c oughs> ความอัศจรรย์ของการเจรติก็อยู่ตรงเนี้ย อยู่ตรงที่จากคนที่มีความทุกข์มากกลายเป็นคนมีทุกข์น้อยอันนี้คือสิ่งมหัศจรรย์ไม่ต้องหาะเหินเดินอากาศถ้าหาะเหินเดินอากาศได้เนี่ยยังมีทุกข์อยู่นี่ไม่มีประโยชน์อะไรใช่ไหมแค่เนี้ยเพราะฉะนั้นเวลาปฏิบัติเนี่ยทำแบบสบายๆรู้เบาๆนิ่มๆมอย่าไปเพง่งจิตถ้าเพ่งมากเกินไปเนี่ยมันถูกใช้งานแล้วมันจะเครียด เราเคยดูทีวีที่ตอนที่มันตื่นเต้นไหมมันกําลังจะยิงประตูอยู่แล้วแลือนางเองกกําลังหนีโจรเนี่ยโอ้โจา่ายจะเครียดโฟกัสเป็นหนึ่งอยู่กับทีวีเลยตอนนั้นรู้ไหมว่าใจเราเป็นทุกข์แต่พอตัดโชว์เป็นโฆษณาโอ้โล่งไปทีการจิติก็ให้เหมือนอย่างการดูโฆษณาทําสบายๆเล่นๆแต่มันรู้เรื่องนะดูโฆษณารู้เรื่องมไหมบางทีมันได้รสชาติมันรู้เรื่องก็เหมือนอย่าง มีผู้สูงอายุท่านอยู่ต่างจังหวัดลูกหลานก็พามาในกรุงเทพพามาพักผ่อนมันแปลกนะลูกหลานพาคุณพ่อคุณแม่มาพักผ่อนในกรุงเทพก็พาคุณพ่อคุณแม่ไปดูหนังอ้อดูหนังโรงใหญ่ดูหนังสองชั่วโมงออกมานอกโรง น, นี่บนหนังนี่ไม่ดีเลยมันไม่โฆษณา เทา ไ, ไมท่านหานูทีท่านเครียดท่านเครียดเพราะตั้งใจมากเกินไปแต่ทีวีนี่เวลามเครียดมันตัดโชโฆษณาไปดูตอนต่อไปโอ้ใจเรามันผ่อนคลายการ ส, รสติก็เหมือนกันนะอย่าให้ผิดปกติให้รู้สบายสบายเบาๆอย่าไปเพ่งอย่าไปบังคับเขารู้ได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นที่ว่าเราให้สิทธิกับสติก็เขามีความสามารถแค่นั้นก็พอใจในแค่นั้น และต่อไปเขาจะพัฒนาขึ้นเองการพลิกมือก็ดีการกำมือก็ดีการถูนิ้วมือก็ดีเนี่ยเป็นการฝึกสติเป็นการปฏิบัติบูชาเขาเรียกว่าอะไรสมจัญญาบ พ, พะคืออิเลีาบทย่อยๆทีนี้เราก็ใช้ได้ทั้งวันเลยการแปลงฟันอย่างรู้สึกตัวเห็นแปลงฟันรู้สึกตัวเนี่ยอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันมีความสุข แปลงกระทบกับเหงื่อยงรู้สึกตัวเนี่ยโอ้มีความสุขบันทีฮัมเพลงก็มาการทานข้าวเราเคยมีสติอยู่ ก, การทานข้าวไหมบางคนทานข้าวไปเนี่ยคิดโครงการต่างๆเขาเรียกกินโครงการกินโครงการจนจบโครงการข้าวไม่หมดชามขาดความสุขอยู่กับการทานข้าวไม่รู้รสอาหารเลยอาหารหมดชามแล้วเนี่ยโอ้มันรู้รสชาติเป็นยังไง เนี่ยเพราะขาดสติขาดปัจจุบันการอาบน้ําการเดินการใช้ชีวิตถ้าอยู่กับปัจจุบันแล้วนี่ปัญหาไม่ค่อยเกิดขึ้นที่จริงเนี่ยทุกในปัจจุบันเนี่ยมันเพียงพออยู่แล้วเราไปเอาทุกอดีตเข้ามาครอบงาำปัจจุบันเนี่ยมันจะทุกข์มากอีกมนเรื่องอดีตเนี่ยขอให้มันผ่านไปก่อนให้ผ่านไปอย่าไปคิดถ้าคิดถึงเรื่องอดีตขอให้คิดมาเพื่อที่จะเป็นครูสอนเราถ้าคิด มาแล้วทําให้เราเป็นทุกข์เนี่ยนอนแต่ดีกว่าการนอนยังมีประโยชน์กว่าใช่ไหมดังั้นเรื่องปัจจุบันเนี่ยเราแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าพอแล้วส่วนอนาคตนั้นรอไว้ก่อนเอาไว้แก้ปัญหาเมื่อเวลาเราเจอกันบางครั้งเนี่ยอนาคตต้องทิ้งเอาไว้ก่อนเพราะเราแก้ปัญหาในปัจจุบันไม่ได้เรื่องอนาคตทิ้งไว้ก่อนทําปัจจุบันให้ดีที่สุดให้ถูกต้องแล้วอดีตเนี่ยมันก็จะดีไปเอง ดีเพราะว่าวันนี้เราทำดีแล้ววันนี้ก็กลายเป็นเมื่อวานยิ่งนานวันนี้อดีตนี่มันจะลบล้างหายไปเลยใครก็ตามที่มีความทุกข์ความเศร้าที่เกิดจากอดีตเนี่ยอย่าไปคิดถึงถ้าคิดถึงมาแล้วก็กรรมเก่าส่งผลทันทีกรรมเก่าเกิดขึ้นจากความคิดที่เราคิดขึ้นมาคนที่เคยบอกว่ามีแผลในดวงใจเวอะหวะนั่นแผลจากอดีตแต่ถ้าอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ แผลเหล่านั้นนี่ทำลไรเราไม่ได้ดงนั้นการฝึกสติเนี่ยให้อยู่กับปัจจุบันเข้าไว้แก้ปัญหาปัจจุบันก่อนการเจริญสติเนี่ยเราไม่ต้องเอาสมาธิมากเราเออกความแค่รู้ตัวธรรมดาธรรมดาเราไม่ต้องการให้มันมีความสงบต้องการให้รู้สึกอาจจะรู้น้อ ย, อยก็ใช้ได้เมื่อรู้บ่อยๆเนี่ยเขาก็จะตื่นแล้วก็เด่นไปเองไม่จะจับให้มันคั่นให้ตายการปฏิบัตินะ ไม่ใช่พอรู้สึกไม่ใช่รู้แบบนี้แบบติดรู้แบบแตะๆค่อยๆถาถาถาไปไม่ใช่สมาธิสมาธิก็จริงก็ถูกต้องแต่สมาธิเนี่ยมันทำให้มันสงบบางคนสงบแล้วมันแข็งทื่อเหมือนก้อนหินก็เลยหินทับยากกิเลสต่างๆนิสัยต่างๆของเราจะไม่เกิดขึ้นเลยเพราะถูกสมาธิมันสยบเอาไว้หินทับยาก แต่ถ้าเราเผลอแม่แล้วก็เวลาโกรธเนี่ยโหคนมีสมาธิมากโกรธหนักแน่นเขาตเรียกว่าสมาธิขี้โกรธสันโดขี้ข อ, ขอเพราะสมาธิมันกดทับเอาความโกรธไว้ถึงเวลามันระเบิดออกมาเนี่ยมันไม่ทันแต่สตินี่ไม่มีการห้ามอะไรสติไม่ห้ามอะไรทุกอย่างเกิดขึ้นได้หมดแต่ว่าให้เรารู้ให้หมดการฝึกสติเมื่อกี้เนี่ยที่เรายกมือเนี่ยไม่ห้ามนะไม่ห้ามความคิดไม่ห้ามความง่วง แต่ให้มีสติคอยรู้มันเรารู้มันมันอาจจะไม่หายง่วงก็ได้เรารู้มันอาจจะไม่หายคิดก็ได้ก็าไม่เป็นไรเมื่อรู้บ่อยๆรู้บ่อยๆสติมันจเจริญมากๆเนี่ยสิ่งนันมันจะดับไปทันทีเลยนีย่แสดงว่าคุณภาพของสตินี่ดีมากดันการฝึกบ่อยๆถือว่าเป็นประสบการณ์ลืมตาฝึกไว้ก่อนแต่ว่าไม่ได้บังคับบ้าหลับตามไม่ได้หลับก็ได้ลืมก็ได้จะหลับจะลืมไม่เกี่ยว เมื่เกียรติที่ว่าเราลืมแล้วรู้ตัวไหมเราหลับแล้วเรารู้ตัวไหมเอาความรู้ตัวทั่วพร้อมเป็นหลักหลับตาจะนอนจะนั่งได้ทั้งนั้นแต่เพราะว่นั้นเรารู้ตัวไหมผมเคยทําแล้วหลับตาโอ้โหหลับตาแล้วมันหลับในหลับตาแล้วหลับในขนาดงูเลื้อยมาบนมือนะนอนทำงูเลื้อยบนมือไม่รู้สึกนะลืมตามาโอ้โหจะเอะกับ ง, งูเลยพอดีมันไม่ใช่งูพิษเนี่ยมันอันตรายที่หลับตาเนี่ย การหลับตาทําให้มันหลับในแล้วมันก็มันทําให้เกิดภาพนิมิตหลายอย่างแล้วเราวางกระเป๋าตังวางแล้วมันมีโอกาสหายได้แ <c oughs> ล้วลืนตาในธรรมชาติที่สุดเลยปล่อยตาธรรมชาติใชแล้วทําเป็นจังหวะเนี่ยมันช่วยได้เราอยากจะมีสติทั้งวันเนี่ยเราทําเคล็ดลําแบบนี้มื่อทีใช้ชีวิตแบบเป็นจังหวะเมื่อทีเาเรียกจังหวะชีวิตนี่โอโ้ดีนะผมเองนี่ความพิการนี่บัดังคับทําให้ทําอะไรให้เป็นจังหวะ ถ้าผิดจังหวะเนี่ยมันจะพลาดทันทีเลยการจะลุกการจะตะแคงการจะหยิบมันจะเป็นจังหวะจังหวะแล้วทําให้สติเนี่ยมันเติมได้เป็นจังหวะจังหวะถ้าผิดจังหวะนี่ยเราแสดงว่าเราขาดสติแล้วเวลาเราทําอะไรลองทําำดูดิเดินไปประตูบัาบอยู่สักนิดนึงแล้วค่อยเปิดประตูเห็นไหมการอยู่แต่ละครั้งเนี่ยมันช่วยทําให้สติมันเกิดแล้วมันตัดความเคยชินของเรา ซึ่งเขาว่ามาเราต้องว่าไปเนี่ยเราหยุดจังหวะตั้ก่อนแล้วค่อยว่าทีหลังก็ได้เมื่อที่เราหยุดปป๊บนี้มันไม่ว่าอะไรก็ได้นะจังหวะชีวิตี่สําคัญมากแต่เวลาเดินจะเป็นจังหวะนะเดี๋ยวมันจะเป็นลำบงเท่งปะเท่งปะเดินจะไม่ต้องเป็นจังหวะเดินตามธรรมดาธรรมดาแต่การใช้ชีวิตเนี่ยเดินหยุดต้นนิดนึงแล้วค่อยจังหวะนี้เป็นการตัดความเคยชินของเราและสติมันเกิดด้วยบางทีเราทําไปแล้วโอ้เราไม่น่าทํำไปเลย พราะเราขาดจังหวะชีวิตลองทําเป็นจังหวะดูบ้างเนี่ยการต่อนเนื่องที่เป็นจังหวะเนี่ยทาได้ทั้งวันเลยทีนี้สําคัญธที่ว่าสติเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็จะนําเอาคุศลต่างๆมาสู่จิตใจเราเยอะเลยคนขาสติดังนั้นอคุศลก็จะเกิดขึ้นนั้นเมื่อมีความสติมีความรู้ตัวแล้วเนี่ยความคิดก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดความคิดก็เป็นความคิดที่ดีเราสามารถกัดกรองความคิดตรงนั้นได้ แต่ว่าเวลาปฏิบัติเนี่ยเวลายกมือสร้างจังหวะหรือเดินจงกรมเนี่ยการเดินจงกรมก็เหมือนกันนะ เ, นเดินแบบสบายๆไม่ต้องหลับตาเดินก้าวเท้ากระทบพื้นก็รู้สึกรู้สึกรู้สึกเหมือนกันแทนที่เราจะมารู้สึกกับการเคลื่อนไหวของมือนะเราไปรู้ที่เท้ากระทบพื้นซึ่งทุกคนมีอยู่แล้วยิ่งถอดรองเท้ายิ่งชัดเจนใหญ่เลยเวลาเดินจงกรมะก้าวเท้ารู้สึกรู้สึกและแต่ละวันเนี่ย การเดินจงกลมแปลว่าการเดินอย่างรู้เนื้อรู้ตัวเราเดินไปห้องน้ำเนี่ยเดินแบบรู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยถือเดินจงกลมเหมือนกันนะใช่ไหมเดินเข้าห้องน้ําอย่างรู้เนรู้ตัวเนี่ยเป็นการเดินจงกลมแต่ถ้าเดินจงกลมในรูปแบบเดินไปเดินมาแต่จิตใจจะงฟุ้งซ่านถือว่าไม่ได้เดินจงกลมตัวปฏิบัติก็คือการรู้ตัวว่าเรากําลังเดินอยู่สําคัญตรงนั้นเวลามันคิดขึ้นมาเนี่ย วิธีการปฏิบัติ oh um นะแทนที่เราจะคิดปรุงแต่งต่อเติมไปเรากลับมาอยู่กับการเคลื่อนไหวของกายซะจบเลยเขาเรียกว่าเบี่ยงเบนจากคิดปรุงกลับมาอยู่กับการเคลื่อนไหวง่ายๆเนี่ยอันนี้เอาหลักตรงนี้ไปก่อนเวลามันคิดปรุงเราไม่ตามไปเรากลับอยู่กับการเคลื่อนไหวทําบ่อยๆพอสติมันชํานาญที่จะไปแล้วกลับไปแล้วกลับชำนาญที่จะกลับมาอยู่กับกายแล้วแล้วก็ทีนี้เวลามันคิดขึ้นมาเราไม่ต้องกลับมาแล้ว เราดูความคิดมันก็ดับไปขั้นตอนคืออยู่กับการเคลื่อนไหวให้ชำนานของกายให้ชำนานก่อนแล้วเวลาไปดูความคิดดูกิเลสเนี่ยมันจะง่ายแนละ้คือเรามีพลังพร้อมแล้วที่จะไปสู้เขาบางคนปฏิบับบติบอกว่าดูกายจะได้อะไรสู้ดูความคิดไม่ได้พอดูความคิดมันก็คิดกับความคิดไปเลยคิดดูไม่ใช่ดูคิดคิดว่าเราดู แต่การดูความคิดนั้นมีการดูส่วนหนึ่งความคิดจนหนึ่งเห็นหแยกกันแล้วเราต้องมีสติให้มันชัดเจนซะก่อนเราก็จะดูความคิดได้และกลับมาดูจิตผู้รู้เองก็ได้คนเราเนี่ยมีความทุกข์เพราะความคิดอันนี้ทุกคนยอมรับไหมเป็นเพราะว่าเรายึดมั่นถือมั่นในเรื่องราวที่เราคิดขึ้นมา พอเกิดความยึดมั่นถือมั่นเราก็คิดปรุงแต่งต่อเติมไปยิ่งปรุงนานยิ่งจิตมันยิ่งเครียดมากแล้วออกจากความคิดไม่ได้บางคนรู้ไหมว่านี่เราโกรธแล้วเรากําลังคิดไม่ดีนะเรานอนไม่หลับนะออกจากความคิดอย่างนั้นไม่ได้ยิ่งคิดอยากจะออกมันยิ่งติดแคบใหญ่เลยความคิดมันห้ามไม่ได้แต่ถ้าเราเบนความรู้สึกมาอยู่กับการเคลื่อนไหวของกายซะ จบเลยเพราะกายไม่ได้คิดอะไร <c oughs> จิตที่รู้สึกตัวกับการขึ้นมาของกายไม่ได้คิดอะไรูลเงพ่อเทียนบอกไว้ว่าเมื่อเวลามันคิดขึ้นมาเนี่ยเราอย่าไปห้ามอย่าไปขจัดความคิดแต่ให้รู้จักเฉยและก็ปล่อยมันไปรู้แล้วก็ปล่อยมันไปทำเพียงแค่นี้เวลาความคิดเกิดขึ้นเรารู้มันคิดแล้วก็ปล่อยมันไปอย่าเข้าไปอยู่ความคิด อย่าเข้าไปเป็นผู้คิดให้เป็นผู้รู้ผู้เห็นและก็ปล่อยมันไปแบบนี้ยโลกประสาทจะไม่เกิดขึ้นความทุกข์ก็ไม่เกิดจิตจะเป็นอิสระจากความคิดเพรื่องการปฏิบัติเนี่ยเราไม่ห้ามอะไรเราปล่อยทุกอย่างเกิดขึ้นได้จะเป็นความคิดความง่วงความขีเกียเกิดขึ้นได้เลยแต่เราอย่าไปห้ามเรารู้ไว่เฉยๆแล้วเราก็ทําหน้าที่กับเขาอย่างเช่นเวลาอย่าดิทํานั่งเนี่ยรู้สึกเมื่อยไหมเมื่อยนะ ถ้ารู้วมันเมื่อยมันปวดเนี่ยเราได้สติแล้วทนตั้นิดนึงดูซิว่าทุกขเวทนาแค่นี้เราทนได้ไหมถ้ามันทุกขมากกว่านี้จะทําอย่างไรเนี่ยความทุกขก่อนจะตายมันมากกว่านี้นะจะทนได้ไหมแล้วตกอบายภูมิเนี่ยโหร้ายแรงกว่านี้อีกเนี่ยนะรู้จักที่จะอดทนแต่ว่าพอสมควรอย่าไปทนจนกระทั่งให้มันหายพอพอสมควแล้ ว, เ อ, ลวเอาแล้วนะอะเปลี่ยนค่อยๆค่อยอยากเนี่ยอย่างรู้สึกตัว คือการเจริญสติจะได้ส่อคล้องธรรมชาติจะไม่ห้ามอะไรเลยปวดเมื่อยก็รู้แล้วเราเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างมีสติโดยที่ใจไม่ต้องเป็นทุกข์บางคนปวดเมื่อยออเมื่อยที่กายแต่ใจมันก็ปวดด้วยไม่ยุติธรรมการปฏิบัติคือการฝึกใจไม่ให้เป็นทุกข์แม้ว่าร่างกายอาจจะมีทุกขเวทนามากๆยิ่งฝึกมากๆ ใ, ใจมันจะเข้มแข็ง มันจะไม่เป็นทุกข์เพราะว่าเวทนาที่มันลุมรอดทางด้านร่างกายถ้ามันเบื่อมันทอ้อแท้มีไหมชีวิตที่เบื่อทอ้อแท้ไม่เฉพาะการปฏิบัตินะการทํางานเหมือนกันถ้ามันขี้เกียจเปลี่ยนนิดเดียวเปลี่ยนจากขี้เกียจเป็นขยันซะถ้าเราขยันนี่ความขี้เกียจมีไม่ได้หรอกขยันซะเราถือว่าเรามาสร้างบารมีบารมีแปลว่าความพร้อมอย่างคุณหมอเนี่ย จะรักษาจะผ่าตัดคนไข้ได้ต้องสร้างบา ร, รมีโดยการฝึกเรียนวิชาการผ่าตัดมาก่อนนั่นคือการสร้างบา ร, รมีแล้วก็พอสร้างบา ร, รมีจนกระทั่งชนานาญแล้วก็เกิดความพร้อมอย่าผ่าตัดคนไข้เราก็เช่นเดียวกันเวลามันขี้เกียจอ่ะเราขยันขยันเนี่เป็นการสร้างวิริยะบา ร, รมีซึ่งเราทำได้เลยเวลามันเบื่อมันท้อแท้เราอดทน ความอดทนเนี่ยเป็นการสร้างบา ร, รมีเาเรียกว่าคันติบา ร, รมีเวลาจิตใจมันอยากได้อยากได้มากปฏิบัติแล้วเนี่ยอยากให้มันรนู้ทำเราต้องสร้างบา ร, รมีแบบใหม่อุเบกขาบา ร, รมีซนะวางเฉยซนะเวลามันขี้เกียจอันนี้เป็นกิเลสแต่ถ้าเราขายันอันนี้เป็นกุศ ล, ลธรรมเวลามันเบื่อมันท้อแท้อันนั้นเป็นกิเลสแต่ถ้าเราอดทนอันนี้เป็นธรรมะ เวลามันเกิดอยากได้อยากนี้อยากมีอยากเป็นเราวางอุเบกขาซะอันนี้เป็นย่อของธรรมะเลยเราปฏิบัติทําได้นะครับที่กิเลสเกิดได้ด้วยพลิกจากกิเลสมาเป็นปัญญาพลิกจากอากุศลมาเป็นกุศลได้เหมือนอย่างพลิกหลังมือเป็นหน้ามือง่ายๆใช่ไหมดังนั้นที่สําคัญก็คืออยากแก้ยติธรรมเนี่ทยทำให้เป็นฝึกเจิติญญาให้เป็นการทําให้เป็นนั้นก็คือการทําบ่อย ทำความเข้าใจและก็ลองปฏิบัติดูก่อนที่เราจะตายไปค อ, อ, อยเราฝึกสติให้เป็นเมื่อตายไปแล้วคอยเราฝึกสติให้เป็นเนนจริญสติให้เป็นเกิดภพภูมิใดคอยเจริญสติให้เป็นอันเนี้ผมว่าเป็นอาวุธที่ดีมากถ้าเราโชคร้ายไปเกิดในอบายภูมิโอ้ถ้าเราเจริญสติเป็นเจริญสติเป็นเมื่อไหร่แล้วก็อยู่ในอบายภูมิก็ไม่ทุกนะเนียผมเคยเข้าไปในอบายภูมิในเมืองมนุษย์โอ้ไปเจออะไรนรกในเมืองคน ในคุกไปต่อในเขาเจริญสติเขาทําได้ครั้งเดียวนะพอาะครั้งต่อมาเขียนจดหมายมาบอกเขาฝึกสติเป็นแล้วเขาเป็นคนที่มีความทุกข์มากติดคุกสาสิปีเขาฝึกสติเป็นเนี่ยเขาไม่คํานึงถึงว่า30มสิบปี ย, ยาวนานขนาดไหนเขามีความสุขอยู่กับปัจจุบันเห็นไหมตกอบายภูมิในเมืองมนุษย์แต่เขาก็ยังมีความสุขได้เพราะฉะนั้นการทําให้เป็นเนี่ยผมว่ามีประโยชน์มาก เราทำให้เป็นเนี่ยไปทําที่ไหนก็ได้แล้วมันก็จะติดตัวเราไปถ้าเราโชคดีไปเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์ น, นี่เทวดาสวรรค์ น, นี่มันมีการมาคุณมากมายมีความสุขมากมายไม่อยากเกิดสติหรอกแต่ถ้าเราฝึกสติเป็นเราก็อาจจะบรรลุธรรมในเทวดาก็ได้ไปเกิดเป็นพรหมมีแต่ความสงบเงียบสติไม่ค่อยเกิดผมลูกฟักนะสติไม่เกิดหรอกแต่ถ้าเราฝึกเป็นในเมืองมนุษย์แล้วแล้วก็ไม่อยากอยู่ใน เมืองพรมแล้วก็จะรู้สติได้ถ้าเราโชคดีไปเกิดเป็นมนุษย์ไปเกิดในประเทศอิรักโอ้ในโดงอิสลามเนี่ยถ้าเราฝึกสติเป็นแล้วเนี่ยไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นการทําให้เป็นเนี่ยผมว่าสําคัญมากอยากให้เราฝึกให้เป็นกันง่ายๆเนี่ยใครเคยทําประกันชีวิตบ้างตอนนี้ใครทาประกันชีวิตไหมตอนนี้มีไหมบริษัทประกันชีวิตเนี่ยเขาประกันได้แค่โลกนี้แล้ว โลกหน้าเขาไม่ประกันเลยไม่มีบริษัทไหนที่ว่าถ้าคุณตายไปแล้วนี่จะประกันว่าคุณจะไม่ตกอบายภูมิมีบริษัทไหนไหมแล้วยิ่งคนพิการเนี่ยเขาไม่รับประกันเลยบริษัทประกันชีวิตบริษัทหนึ่งเขาเชิญผมไปพูดเขาไม่รับเราเป็นลูกค้าแต่เชิญเราไปพูดเนี่โอ้มันน่าเจ็จว่าเขาชวนลูกค้าประกันชีวิตได้แต่ผมก็เหมือนกันชวนเขาประกันชีวิตทํากับบริษัทผมไหม บริษัทผมเนี่ยโอ้ทำแล้วนี่ไม่ตกอภัยภูมินะมีอยู่บริษัทเดียวเท่านั้นพุทธบริษัทไงโอถ้าเรามาอยู่บริษัทประกันชิพพุทธบริษัทแล้วก็ไม่ตกอภัยภูมิแต่ต้องปฏิบัติทำตามอย่างที่ชาวพุทธเข้าปฏิบัติกันนะพุทธบริษัทถ้าปฏิบัติตามคําสอนแล้วก็ไม่ตกอภัยภูมิรับประกันได้ <c oughs> ไม่กลัวตายแล้วก็รู้จักตัวเองแล้วก็เข้าใจชีวิตอบัยภูมิอยู่ที่ไหน เราพิสูจน์ได้ในปัจจุบันคือจิตจิตที่มันเป็นทุกข์อ่ะมันตกอบายก่อนจะถึงอบายอยู่แล้วถ้ามีสติมีธรรมะไมว้ควบคุมเนี่ยจิตมันไม่เสร้าหมองแบบนั้นหรอกจะสามารถป้องกันอบายภูมิได้ก่อนจะตายเนี่ยเขาบอกว่าให้นึกพุโทโธพุโทโธไวโอ้นั่นยังทำไม่เป็นถ้าคนทำเป็นแล้วเนี่ยไม่ต้องนึกหรอกมันจะมีขึ้นมาเองลุงว่เทียนบอกว่า ถ้าเราปฏิบัติเจริญติอยู่เนืง่งเนืองนะปัจจุบันนี้อาจจะไม่เห็นผลแต่ก่อนจะตายเนี่ยสีหนาทีเนี่ยสิ่งที่เราสร้างมาเนี่ยเขาจะประกอบขึ้นทันทีเลยเราสร้างสติสติก็เป็นกรรมนิมิตในตอนนั้นเขาเรียกว่าอาจินญา ร, รมคือกรรมที่ทําอยู่เนืงน่งเนืองถ้าเราจเจริญติอยู่เนืงน่งเนืองเนี่ยมันจะหายไปไหนมันก็มีเหมือนทางที่เข้าบ้านใช่ไหมเราเดินเข้าบ้านเนี่ยบ้านเราไม่เคยหลง หลับตาเดินเข้าบ้านก็ได้พอเดินเข้าบ้านทุกวันการฝึกสติก็เหมือนกันฝึกบ่อยๆเนี่ยมันก็จะมีขึ้นในตัวเราอย่างการตีทำเนี่ยทําได้ทั้งวันเลยนึกได้ตอนไหนก็รู้สึกตัวตรงนั้นไอ้ที่นึกไม่ได้ก่อแล้วก่อแลก่ น, ลกนไปมันนึกไม่ได้จะว่ายอย่างไรพอนึกได้เราก็รู้สึกตัวว่าเรากําลังนั่งเรากําลังคิดอะไรกําลังทําอะไรตรงนี้สติเกิดทุกครั้งที่สติเกิดเนี่ยจะมีแต่กุศลธรรมนะ สตินี้ต้องคู่กับกุศลธรรมเสมอๆก็เรียกว่าเป็นธรรมะฝ่ายดีฝ่ายกุศลทานข้าวรู้สึกตัวเราได้กุศลธรรมแล้วอาบนา้ํารู้สึกตัวหวีผมอย่างรู้สึกตัวนี้ได้ปฏิบัติธรรมแล้วเมื่อกุศลธรรมเกิดขึ้นอกุศลธรรมเนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นของนี่มันของอริกันเพราะฉะนั้นทําบ่อยๆทําบ่อยๆนึกได้ก็รู้สึกตัวทันทีเลยถ้ามีโอกาสมีเวลาส่วนตัวทำในรูปแบบ ยกมือสร้างจังหวะเดินจงกรมนั่งดูลมหายใจฝึกการเคลื่อนไหวอย่างรู้เนื้รู้ตัวอันเนี้เราทํากุศลได้ทั้งวันเลยไม่ต้องไปที่วัดก็ได้เราไม่มีเวลาไปที่วัดแล้วก็ทําอยู่ที่บ้านจัดบ้านให้เป็นวัดอย่างที่มีคํากรรบทหนึ่งเป็นคํากรรเกี่ยวกับเรื่องความรู้สึกตัวซึ่งทา่านธรรมวโธเนี่ยท่านเป็นผู้ที่เขียนคํากรร น, นี้ขึ้นมาเนี่ยไพเราะมาก